ไม่มีไฟใดเสมอราคะไม่มีเคราะห์ใดเสมอโทสะไม่มีไายดักสัตว์ใดเสมอโมหะไม่มีแม่น้ำใดเสมอตัณหาพุทธาวเ จ, จะนะ วันนี้สถานการณ์ที่สิงบุรีเป็นอย่างไรคะคุณหมอยังต้องลุ้นอยู่เพราะว่าน้ําก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นค่ะนะครับแม้ยังงี้ก็เท่ากับว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะคะคือน้ําล้นนี่ไม่ค่อยกลัวนะดูสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วว่าถ้าจะเป็นเหตุเรียกว่าฉับพลันเนี่ยก็คือการแตกทําลายของไอ้เขื่อนคันดินกันน้านะคะกระนังกันน้ําค่ะ ก็ภาว น, นาให้เป็นอย่างนั้นเลยนะค ะ, คะ ไ, ได้ประสบการณ์แปลกใหม่เยอะแยะมากมายครับครับน้าท่วมกลังนี้จริงๆแล้วอันนี้มันก็คือความจริงชนิดหนึ่งใช่ไหมครับก็ความจริงของชีวิตเลยแหละค่ะความจริงที่มันปรากฏมานี่เหละเขาเรียกว่าธรรมะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยธรรมะ ก, กําลังแสดงตัวอย่างเต็มที่นยชัดมากค่ะเปรียบเหมือนรสเนี่ยรสชาติของอาหารเนี่ยครับรสชาติเลยนะคะ แม้แต่เรื่องของน้ำเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรค่ ะ, ะแต่ถ้าเรารสชาติให้มันชัดเจนซะหน่อยเนี่ยมันต้องมีความร้อนหน่อยความเย็นหน่อยหรือว่าเรียกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มซะหน่อยเพื่อให้กระตุ้นต่อมรับรสของเราให้มันรู้สึกชัดๆค่ะใช่ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันบางทีชีวิตที่เป็นปกติเรียบเรียบเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอะไรไม่มีรสชาติดงนั้นธรรมชาติกําลังสแสดงตัวมาเพื่อที่จะทําให้กระตุ้น ตอมจิตสํานึกของเราให้ตื่นตัวขึ้นมาค่ะเพราะตอมจิตสํานึกของเราเนี่ยมันน้อยไปหน่อยแต่ตอมจิตใต้สํานึกมันยิ่งใหญ่แล้วไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยเนะตอมจิตใต้สํานึกงั้นการที่ธรรมชาติเขากําลังแสดงตัวของเขาออกมาให้ชาวไทยชาวโลกได้รับรู้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เขาค่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว่นนี่คือความจรงิงในความจริงนี่แหละก็คือธรรมะ นะธรรมะกําลังแสดงตัวธรรมะกาลังสอนเราเรามีหน้าที่ในการที่จะศึกษาเขานะครับมีมีหน้าที่ในการศึกษาเขามีมุมมองเยอะแยๆนะครับพี่ศรีนาฏที่เราสามารถที่จะศึกษาได้จากปรากฏการธรรมชาติในครั้งนี้ลองแบ่งปันกันหน่อยสิคะเพราะคุณหมอเห็นมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเช่ว่าถ้าเรามองในแง่ของเหตุปัจจัยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอยู่แล้ว อยู่ๆนี่ฝนมันจะตกมามากมายมาอาสารน้ําจะล้นท่วมทลักทลายขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุและมีปัจจัยซึ่งผลที่เกิดขึ้นณนขนาดนี้เี่ยมันก็สาวได้เยอะแยะมากมายที่ว่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อน ก, กดความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนะจากการตัดไม้ทํำลายป่าจากอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยก็เราก็สามารถมองได้แล้วก็จริงๆแล้วเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมองอยู่แล้วเพื่อ ในการปรับแก้ในอนาคตเนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยตรงนี้ให้มากค่ะไม่งั้นมันก็เกิดซ้ํำซากอยู่ๆไม่มีทางผ่อนปลนลงได้นอก่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ถึงวิธีการที่จะบรรเทาความรุนแรงของมันหรือว่าลดขนาดความรุนแรงของมันลงโดยการทําอะไรเยอะๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวตั้งรับการระบายน้ําการขุดหนองคลองบึงการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ต้องวิเคราะห์กันไป แต่อันหนึ่งที่จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขยับตัวของธรรมชาติหรือว่าเป็นการปรับตัวของธรรมชาติธรรมชาติกับเราหรือว่าธรรมชาติกับชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ไหมครับพี่เชนน่ะแต่ว่าไปแล้วก็คือว่าตอนนี้ขณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราไปกินอะไรมาแล้วก็ท้องเสีย ค่ะหรืออาเจียนใช่ไหมก็คือมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติของร่างกายของเราชนิดหนึ่งเหมือนกันค่นะธรรมชาติกําลังมีความทุกข์กําลังมีความไม่สมดุลเเขากําลังทําหน้าที่ในการปรับตัวเขาเพื่อให้สมดุลเกิดขึ้นดะังนั้นการที่มันมีเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักในการทําให้เกิดความเสียสมดุลค่นะธรรมชาติเขาพยายามช่วยตัวเองในการคืนสมดุล ให้ได้มากที่สุดดังั้นถ้าเราจะได้รับผลกระทบบ้างเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้นอโอ้โหมองอย่างนี้เลยนะค ะ, ะคะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่มีส่วนนะครับค่ะใครจะมีส่วนมากส่วนน้อยก็กมาไ้วิเ<ป>คราะห์เรียกว่าตัวเองเอาค่ะแต่จริงๆก็คือว่าธรรมชาติเขากําลังพยายามปรับตัวเขาเข้าสู่จุดสมดุล น, นะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นดินไหว นะ้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะทีนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้ล้วนๆนะว่าอันที่สองที่เราจะพูดถึงได้ก็คือเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมค่ะอันนี้รรคือการกระทํะแล้วก็ผลของกรรมก็คือวิบากค่ะขณะนี้เนี่ยแน่นอนความทุกข์ต้องมากกว่าความสุขใช่ไหมฮะค่ะผลของความทุกข์ลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอากุศลวิบาก อกุศลวิบากอ่านะนะเป็นอกุศลวิบากก็คือเป็นผลของกรรมชั่วค่กทํนะาไม่ดีหนะรือว่าการทําบาสนะที่ส่งผลออกมาทําให้เกิดมีความทุกขโดยเฉพาะทุกข์กายนะมีความไม่สะดวกสบายมีความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับนี้ก็เป็นผลของอกุศลวิบากนั้นถ้าดูโดยภาพรวมก็คือมันเกิดเกือบทั้งประเทศนะที่สีน่านะ ก็ว่าได้ค่ะนะแล้วจริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นกระจายกระจายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้ที่อินโดนีเซียหรือว่าก่อนหน้า น, นี้ที่สหรัฐใช่ไหหรือว่าแผ่นดินไหวในหลายๆที่ในที่ตอนนี้ก็น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแถวเอเชีย่อนออกเขียงใต้ดูแล้วมันกระจายทั่วๆไปทุกๆหย่อมย่าเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เนี่ย เป็นภาวะขาดแคลนบุญนะคะัอ้าวทําเน่ยอะไรล่ะคะแต่เป็นภาวะขาดแคลนบุญเพราะว่าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นชื่ออย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดความสุขใช่ไหมครับอันนี้เชื่อกันย้อนนี้มานานแล้วค่ะบุญทําให้เกิดความสุขบุญทําให้เกิดความสะดวกสบายค่ะดังนั้นเมื่อความสุขมันน้อยลงนะครหรือว่าความทุกข์มันมากขึ้นความไม่สะดวกความไม่สบายมันมีมากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็อาจให้ชื่อมันได้ว่า เป็นระยะหรือว่าเป็นช่วงขาดแผนบุญหรือว่าบุญบกร่องค่ะนะครับบุญบกคลองมันก็เหมือนร่างกายของเราเนี่ยครับเวลาเราแข็งแรงดีเนี่ยหมายความว่าบุญเรายังดีอยู่ก็เรียกนะบุญคุ้มหัวนะฮะค่ะค่ะชาติภบุญคุ้มหัวเนี่ยปูนคุ้มกันยังดีอยู่ยังไม่เป็นมรณโลกะนะยังไม่เป็นเชื้อรายังไม่เป็นมะเร็งแต่พอร่างกายเราปูนคุ้มกันบกคลองเมื่อไหร่ นะเช่นมีไวรัสเข้ามาโจมตีเม็ดเลือดขาวของเราคนระับพอภูมิกันบกพร่องปุ๊บนะเป็นโรคเอชนะเอ ส, นะเอสก็คือโรคภูมิกุ้มกันบกพร่องค่นะเชื้อโรคต่างๆที่มันเคยเป็นอยู่เราแต่ไหนแต่ไลมาเนี่ยมันก็เริ่มซ้ำแต่งฤทธิ์ของมันออกมาอันนี้ก็คงจะคล้ายๆกันบุญบกพร่องเนะี่ยบุญเนะี่ยเป็นภูมิป้องกันทุกภูมิคุ้มกันทุกอันเมื่อความทุกข์มาเกิดขึ้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่าอ๋อเนี่ยขณะเนี่ยสังคม ประเทศชาติหรือว่าโลกของเราเนี่ยขาดแผนบุญอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะขาดอีกหน่อเนื่องยาวนานอีกเท่าไหร่ถ้าเราไม่ค่อยที่จะสำนึกนถึงเรื่องของบุญของบาปเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งมันเป็นเครื่องส่งทำให้เกิดการกระทาที่ทำให้เกิดอกุศลเนี่ยนั้นกรรมหรือว่าผลเนี่ย มีมาแต่เหตุเหตุชั่วผลก็ชั่วผลชั่วก็มาจากเหตุชั่วฉนั้นในขณะที่เรารับวิบากที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราบอกกับตัวเองได้เลยว่านี่เป็นผลจากการที่เราทํากรรมไม่ดีเอาไว้ค่ ะ, ะนั้นจุดที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งต้นทําความดีกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ฮะเริ่มต้นใหม่อันที่หนึ่งเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเราวิเคราะห์แล้วก็ยอมรับค่ะวิเคราะห์หาสาเหตุ แล้วก็ยอมรับผลที่มันเกิดในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่ไปเสียใจกับผลที่มันเกิดขึ้นมาคะหรือว่าทุกใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่คิดถึงเหตุนะบางทีมันก็รู้เหมือนกันนะรู้ไกลๆแต่ไม่ยอมรับจริงๆหรอกนะไม่ยอมรับนั้นเมื่อเราวิเคราะห์เหตุเพื่อที่จะทําเหตุปัจจุบันใหม่เพราะเหตุที่ปัจจุบันใหม่เนี่ยมันยัมีผลต่ออนาคต นั้นถ้าเรายังต้องมีชีวิตอยู่อีกก็สิบปียีสบปีสามสิบปีสี่สิบปีเรือว่ายังสนุกอยู่กับการเวียนตายเวียนเกิดอยู่เราก็เล่งสะสมบุญให้มากเพราะว่าอย่างที่บอกบุญมันเป็นภูมิคุ้มกันทุกใช่ไหมฮะค่ะนั้นถ้าเราไม่ต้องการทุกอยากมีความสุขอยู่กับการเกิดอยู่ก็ขยันทําบุญเข้าไว้เข้าไว้อย่างที่เราคุยกันนี่ยว่าบุญมันก็มีหลายวิธีในการทําอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งค่ะอีกอันหนึ่งก็คือ ตามตำลานะฮะที่ได้ยินได้ฟังมาครับพี่สีนาะว่าอย่างไงคะเขาบอกว่าโรคของเราเนี่ยถ้ามันวิกฤตสุดๆนะมันเรียกว่ามันเลวร้ายกันสุดๆเนี่ยโรคมันก็จะทำความสะอาดตัวมันเองสักทีหนึ่งนะครับพี่สีนาะเนะช่นว่าถ้าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคนมีราคะมากมีกิเลสมีความโลภมากเนี่ยนะเรียก ว, ว่าโรกราคะของบ้านของเมืองเนี่ย เวลาเขาจะทำความสะอาดโลกเนี่ยเขาจะทำความสะอาดด้วยน้ำเคยได้ยินน ะ, คะเคยได้ยินคะ่ะในะตำนานเก่าแก่นะค ะ, ะเขาจะพูดกันว่ามีการล้างโลกอ่า<ะ>ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประชาชนมนุษย์เนี่ยนะถูกครอบงำด้วยกิเลสประเภทโทสะค่ะนะฮะความโกรธความเกรียดอิจฉาลิสยาพยบาบาทาาคาตมาตร้ายกันทุกหย่อมยญาเนี่ยค่ะ เวลาเขาจะล้างโลกทีเนี่ยเขาใช้ไฟล้างนะคะค่ะเดีอันหนึ่งก็คือถ้าคนมีโมหะมากลุ่มหลงมัวเมาสารพัดสารพเเน่ยแม้แต่พ่อแม่ก็จํากันไม่ได้ในนีค่ะเวลาเขาจะล้างเนี่ยเขาจะใช้หลมล้างโอค่ะนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยน้ํากําลังล้างอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณหมอพูดยังไงว่าจะเป็นการล้างใหญ่อย่างนั้นะคะอ๋อผมว่ายังไม่ใหญ่ฮะอ๋ออันนี้ซ้อมใช่ไหยคะครับยังไม่ใหญ่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้าเรา ดูในช่วงอายุของพุทธศาสนาเนี่ยค่ะช่วงอันนี้ยังอยู่ในช่วงของที่ยังมีพุทธศาสนานั่นหมายความว่ายังมีบุญที่จะคุ้มครองพวกเราได้อยู่นะพุทธธรรมร่าธรรมะยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างอีกมากดังนั้นโอกาสที่จะล้างเนี่ยยังคงไม่ใช่แต่แต่นี่เป็นหนังตัวอย่างครับพี่จินี่นอ๋อหนังตัวอย่างนะคะครับค่ะเป็นหนังตัวอย่างเรานอนนอนอยู่นะคร คนที่ชอบนอนอยู่ตามริมขขาตามริมน้ําตอนนี้เป็นยังไงครับหนาวแ ล, ล้วค่ะโดนกวาดลงลายลำธารทั้งหมดเรียบร้อยค่ะใช่ไห ค, ค่ะโดนกวาดไปหมดนั้นอันนี้คือแบบจําลองที่เราสามารถจะศึกษามันได้ว่าโอ้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์กวาดกันมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะอย่างซีนามิค่ะที่เกิดขึ้นจากทะเลนี่นะก็เป็นการกวาดชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นการกวาด <ละ S 2> แต่อันนี้ ก็เป็นซีนามีเหมือนกันนะแต่มันเกิดบนบกนะพี่เขียนะเวลามันกวาดก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะดูในรูปของการกวาดจากซีนามิของน้านทะเละกับที่มันกวาดบนไหล่เขาลงมาจากการเลื่อนตัวของแผ่นดินหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยกวาดเหมือนกันเลยดูรูปความเสียหายต่างๆเนี่ยคล้ายกันความตายที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จะไม่ได้ต่างกันนะครับพราะตรงนี้ในนาศึกษา นั้นถ้าเราสนใจนะก็ช่วยกันเร่งทำให้มันเกิดเร็วๆขึ้นคุณหมอพูดผิดหรือเปล่าคะพูดไม่ผิดแต<อ>่พูดไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ถ้าเราไม่ปรับแก้นะเหตุการณ์<ๆ>อย่านั้นก็ไม่อาจจะรอดพ้นไปได้นะนะครับอันนี้เหมือนว่าเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ฮะเป็นหนังตัวอย่างนะที่เขาคิดแบบว่าเออถ้าเราถ้าเราตื่นนะครับก็ชินมนาะยังทันใช่ไหมคะฮะผมว่ายังทันครับ เ, รเพราะว่าตอนนี้มันแค่ตื่นพฤติการ ค่ะยังทันอยู่กับอันท้ายเลยก็คือว่าอะไรคะเรากลับต้องกลับมาดูเรื่องของใกล้ตัวเรายังไงค่ะเราได้อะไรได้อะไรจากเหตุการณ์คราวนี้ครับค่ะเราได้อะไรอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรนะฮะเพราะจริงจริงเราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาอยู่แล้วอันนี้เป็นลุมที่ดีค่ะทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรผ่านมาในชีวิตเรานะคะควรจะสรุปบทเรียนว่าเราได้อะไรได้เรียนรู้อะไรเพิ่มครับ ห้ามคิดเป็นอนั้นขาดว่าเราเสียอะไรเสียอะไรนี่ต้องตัดกันเลยนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาสาหรับคนที่ไม่อยากจะทุกข์มากเลยนะะต้องคิดให้ถูกแล้วก็คิดให้เป็นคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นคิดให้เห็นตามความเป็นจริงเราเกิดมาเนี่ยเราเอาอะไรมาใชไมไม่มีอะไรติดตัวเรามาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเราจะเสียอะไรไม่มีอะไรจะต้องเสียไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้ว นะก็คืนสองคืนเข้าไปเออพื้นของเรามันทิ้งขยะกันไม่มาตอนนี้เขาก็มาช่วยกวาดให้เราก็ดีแล้วนี่นของอรเราเก็บไม่ได้สุนบ้านมันเยอะแยะมากมายเกินการใช้มันกวาดลงไปทิ้งในคลองบ้างกับเนะรือ่องดีเหมือนกันนะได้โอกาสนะได้โอกาสได้ปัญญานะได้มีโอกาสในการทําบุญใช่ไหมได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยกันกรอกกระสอบซ้ายช่วยกันขนดินไปถมนะช่วยกันวิทยน้ำนะเป็นโอกาสในการสร้างความสมามัคคีนะ เป็นโอกาสที่เราจะได้ทําบุญเป็นโอกาสที่เราจะได้มิตรเนี่ยได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโอ้ยามเดือดร้อนเนี่ยได้เห็นนํามิตรดีแท้เชียวค่ะใช่ครับเนี่ยเราได้แล้วนะบุญกุศลเนี่ยเราไม่มีความเอื้ออารทอแต่ต้องระวังนะระวังอะไรคะระวังอย่าไปห่วงนะอ๋อห่วงสลบัติใช่ไหมคะห่วงไม่เป็นอภิุศลนะค่ะแต่ถ้าเอื้ออารทอเนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลนะค่ะมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะะ เป็นกุศละนะแต่ถ้าห่วงใยเมื่อไหร่หรือตกกังวลเมื่อไหร่เป็นทุกข์นี่นมันจะเป็นคามกุศลนันทีททแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ก็คือได้ปัญญาปัญญาจะหมายนะยังไงคะโดยเฉพาะถ้าผู้ที่เจริญสตินะภาษาที่มากระทบรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถศึกษาเรื่องของจิตใจของเราได้อย่างถึงจิตถึงใจจริงๆนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่เปรียมผมไปเจอน้ําท่วมที่สุขกตอนะค่ะ เป็นภาษาที่เราแก้งสร้างขึ้นมาไม่ได้นะครับเปนสี่นีน้นะอ๋อคาพูดนีด้ดีสร้างขึ้นมาเองไม่ได้สร้างขึ้นมาเองไม่ได้นะเพราะสร้างขึ้นมาเองนี่มันจะจืดสนิทเลยนะครับือรู้คิวไว้ก่อนแล้วค่ะค่ะรู้คิวไว้ก่อนเนี่ยจิตใจมันก็รู้ทันค่ะนะแต่ถ้าเป็นภาษาที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มันคุกคามต่อภัยของตัวเองเนี่ยค่ะกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันปรากฏหรือแอบซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นได้ศึกษา อันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาเรื่องของชีวิตนะโอกาสที่จะได้ปัญญาโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ข้อสอบหรือว่าได้ดิวเข้มก่อนสอบจริงเนี่ยจะมีได้เยอะเลยฮะเพราะว่าภาษาที่มันรุนแรงที่มันคุกคามต่อความเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าสิ่งที่ของเรารักของเราห่วงเนี่ยเป็นภาษาชั้นเลิศในการที่จะกระตุ้นให้สิ่งต่างๆที่มันเก็บอยู่ภายใต้จิตสํานึกของเราเนี่ย มันแสดงตัวออกมางนั้นจะมีประโยชน์มากที่สุดในของเหตุการณ์ครั้งนี้คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมครับพี่เจนะจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะแต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีหรือว่าไม่ได้สุดขิต ส, สุดใจนะะพวกนี้จะเสียประโยชน์มากที่สุดขาดทุนว่างั้นเถอะก็คิดว่ายอย่างนั้นนะะเต็มๆเลยฮนะค่ะนะครับดงนั้นก็อยู่ที่ว่าตาดีได้ตาไร้เสีย แังนไอ้ตาที่ว่าเนี่ยก็คือตาปัญญาค่ะหรือว่าตาในหรือว่าธรรมจักสุเนี่ยนะค่ะันั้นเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกให้มีสร้างมันขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเอาไว้มองโลกนะเป็นตาทิพเป็นหูทิพนะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกขยะมันเยอะค่ะถ้าเราไม่มีตาทิพไม่มีหูทิพเนี่ยนะเราก็จะกินขยะสะสมขยะไว้ในจิตในใจของเรา และผลของมันก็คือทุกข์นะครพี่เสนาค่ะังนั้นตาที่ผูทิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ฝึกสติสัมัญญาังนั้นท้ายที่สุดก็คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นของชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของการสั่งสมหรือว่าทําเรื่องของการเจริญสติปัญญาเนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ความทุกข์เราน้อยนะครับความสุขเรามาก ก็อย่างที่บอกความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าบุญบกพร่องนะปัญญาบกพร่องนะครับฉะนั้นเสียอะไรก็เสียไปนะแต่อย่าให้เสียใจอย่างที่เขาว่าทุกอะไรก็ทุกไปแต่อย่าให้ทุกใจค <c oughs> นะครับอย่างสิียงบุรีเนี่ยเมื่อควานยังคุยกันจดมนตอนเย็นก็บอกว่าถ้าเถื่อนมันจะแตกขึ้นมานะแต่อย่าให้ใจแตกอืมหยม เขืนมันจะแตกเนี่ยมันจะท่วมอะไรเสียไปมันก็เสียไปมันจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันไม่เสียไม่ได้เสียอยู่แล้วคเพราะมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือปกป้องจิตใจของเราไว้เขื่อนการสุดท้ายก็คือเขื่อนป้องกันใจนี่แหละครับอันนี้รักษายากมากครับต้องอาศัยเขื่อนปัญญานี่แหละแล้วเขื่อนปัญญาอยู่อยู่อยากให้มันเกิดก็ไม่ได้นะก็ต้องสร้างกันต้องสร้างโดยใช้สตินะครับเป็นเครื่องมือในการสร้าง เขื่อนป้องกันใจของเราค่ะนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากที่น้องเพื่อนพ้องคุณธรรมทุกๆท่านไหมนะครับ